บทที่สามสิบสองดอกเฟ e e ื่องฟ้ากับนางละครเมื่อพิธีปราบดาพิเศษเสียสิ้นลงแล้วจอมคนแห่งมกตรรัตจึงเตรียมทัพเพื่อโจมตีอาณาจักรต่างๆซึ่งแตกแยกกันอยู่เพื่อร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พระองค์ทรงมองดูเขตอาณาจักรมคตทั้งสี่ทิศทิศเหนือจดแม่น้ําคงคาทิศ ต, ตะวันออกจดแม่น้ําจำปาทิศใต้จดภูเขาวินไทยทิศ ต, ตะวันออกจดแม่น้นําสนมคตมีหมู่บ้านถึง8ปดหมื่นหมู่บ้านนับเป็นอนาณาจักรที่เกลียงไกลใหญ่ยิ่งมิใช่น้อย แต่จะมีกษัตริย์องค์ใดเล่ารู้สึกเพียงพอในอนาเขตนอกจากจนพระไทยเพราะมิอาจขยายได้เท่านั้นทรงมองดูแคว้นต่างๆคือแคว้นอังคะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งแคว้นมคตปลายแม่น้ำคงคามีเมืองจำปาเป็นนครหลวงริมฝั่งแม่น้ำอันเป็นที่ตั้งแห่งเมืองจำปานี้มีต้นจำปาเรียงรายดอกสีขาวกลิ่นหอม ซึ่งในสมัยพุทธกาลพวกนักปราชเจ้าลัทธิต่างๆชอบพากันเข้าพักอาศัยสนทนาโต้อตอบลัทธิเมืองจำปานี้มีสองแห่งคือจำปาในากับมีละและจำปาในาอังคะจำปาในากับมีระเก่าแกกว่าในอังคะเสียอีกแคว้นกาสีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกแห่งมคตมีพรณสีเป็นราชธานี ตั้งอยู่ตรงบรรจบแห่งแม่น้ำคงคาและยมุนาเป็นแคว้นที่เก่าแก่มากแคว้นโกศนตั้งอยู่เหนือกาสีมีอนณาเขตไปจนถึงฮิมาลัยบรรพตมีแคว้นสักยะอยู่ทางทิศเหนือโกริยะอยู่ทางทิศ ต, ตะวันออกโกศนเป็นอาณาจักรใหญ่ยิ่งในสมัยพุทธกาลคู่แข่งกับมคคมีรัชธานีชื่อสาวัตถี ซึ่งเป็นที่ประทับนานที่สุดแห่งพระบรมศาสดาโกศลมีเมืองสำคัญสามเมืองคืออโยธยาตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำสรายุเป็นเมืองสำคัญในสมัยโบราณก่อนพุทธกาลเมืองนี้ถูกรวมเข้าในโกศลมดความสำคัญทางการเมืองแต่ยังมีความสำคัญทางวรรณคดี สาวัตถีอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองโครักขับปุระสมัยพุทธกาลเป็นเมืองหลวงชั้นเอกคู่แข่งกับราชคฤสาวัตถีตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาจิวรวดีสาเกตยอยู่ใกล้อโยธยาเจริญขึ้นในเวลาเดียวกับที่อโยธยาเสื่อมลงเป็นเมืองแทนอโยธยาในสมัยพุทธกาลมีความสำคัญ สำหรับโกศลมากเท่าเท่ากับสาวัตถีเองซึ่งเป็นเมืองหลวงในครั้งพุทธกาลมีรถด่วนรถเทียมมา้าระหว่างสาวัตถีกับสาเกตเดินทางวันเดียวถึงตั้งสถานีไว้เจ็ดแห่งต้องเปลี่ยนม้าถึงเจ็ดครั้งระยะทางประมาณ70กิโลเมตรแคว้นวัตชีตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกแห่งลำน้ำคันธกะ ติดต่อกับมัลละเมืองหลวงชื่อเวสาลีแคว้นวัดชีเป็นสหรัฐรวมแคว้นเข้าด้วยกันที่สำคัญมากก็คือสองแคว้นคือแคว้นลิชวีมีเวสาลีและเมืองหลวงและแคว้นวิเทหะมีเมืองมิทิลาเป็นราชธานีเวสาลีรุ่งเรืองยิ่งกว่าเมืองใดๆในสมัยเดียวกันมีกำแพงถึงสามชั้น ชั้นหนึ่งชั้ น, นสร้างห่างกันประมาณหนึ่งคาวุฒิหลังเมืองเวสาลีออกไปมีป่าใหญ่ชื่อมหาวันสูงขึ้นไปถึงทิวเขาหิมาลายในป่ามหาวันนี้เจ้าลิ์ชวีได้สร้างที่ประทับสำหรับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไว้มีเรือนยอดซึ่งเรียกว่าคูตคารวัดชีมีระบอบการปกครองแบบสามัคคีธรรมเป็นระบอบที่ค่อนข้างแปลก ไม่ใช่ราชาที่ปไตยเพราะไม่มีใครดำรงตำแหน่งพระราชาอย่างเต็มที่กสัตว์ทุกพระองค์มีอำนาจในการปกครองเท่าเทียมกันหมดและปกครองโดยสภาแต่ก็ไม่ใช่ประชาธที่ปไตยเพราะประชาชนไม่มีส่วนในการปกครองด้วยอำนาจในการปกครองอยู่ที่คนพวกเดียวคือพวกกสัตย์ที่เรียกว่ากสัตย์ลิชชวี วัดชีที่ประชุมใหญ่เรียกว่าสันธาคารเป็นที่ประชุมของกษัตริย์ลิชวีเมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็นําเข้าสู่ลิชวีสภาแม้หลักเกณฑ์จะมีว่าต้องถือเสียงข้างมากเป็นการชี้ขาดแต่โดยการกระทําแล้วพวกกษัตริย์ลิชวีมีความเคารพในเรื่องวัยวุธอย่างมากดังนั้นเรื่องใดๆก็ตาม ถ้ากษัตริย์ลิชวีซึ่งเป็นผู้ใหญ่สูงอายุกว่าอย่างไรผู้น้อยก็มักร้อยตามอย่างไรก็ตามลิชวียังคงมีอำนาจมากจนถึงกับว่าชายาของกษัตริย์องค์หนึ่งมีชู้สามีจับได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ชายายังคงประพฤติตนเช่นนั้นอีกพระสวามีจะลงโทษต้องนำเรื่องนี้ขึ้นเสนอให้ลิชวีสภาวินิจฉัยลงโทษ แคว้นมัลละตั้งอยู่ถัดจากโกศลมาทางทิศตะวันออกอยู่ทางเหนือของแคว้นวัดชีและทางทิศตะวันออกแห่งสักกะนะครหลวงชื่อกุสินาราเมืองหลวงของมัลละมีสองเมืองคือกุสินาราและปาวาเปลี่ยนย้ายที่ประชุมกันได้สมัยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานและแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ แคว้นมัลละได้พระทาตถึงสองส่วนคือของกุสินารานส่วนหนึ่งและของปาวาอีกส่วนหนึ่งนอกจากนี้ยังมีเมืองใหญ่ๆอีกสองเมืองอยู่ในมัลละเมืองหนึ่งชื่ออนุปิยาอีกเมืองหนึ่งชื่ออรุเวลกัสปากระสัมัลละนั้นเป็นวาสิทธโคดเหมือนกระสัลิชวีดังนั้น เมื่อพระอานอน์ไปแจ้งข่าวการปรินิพานของพระพุทธเจ้าแก่พวกมันละจึงเรียกกระสัตรมันละว่าวาสิทธะแคว้นเจตีตั้งอยู่ติดต่อแคว้นอวันตีออกมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นครหลวงชื่อโสติวดีแคว้นวังสะตั้งอยู่ใต้ลําน้ํยายมุนาทางทิศใต้ของแคว้นโกศซนและตะวันตกของแคว้นกาสีนครหลวงชื่อโกสัมพี เป็นย่านกลางของการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างโกศลมคตกับเมืองต่างๆแคว้นกุรุตั้งอยู่ตรงลุ่มแม่น้ำยุมนาตอนบนนครหลวงชื่ออินทปัตแคว้นปัญจาละตั้งอยู่ตรงลุ่มแม่น้ำคงคาตอนบนมีโกศลอยู่ทางตะวันออกมีกุรุอยู่ทางทิศตะวันตกหิมาลัยบรรพศอยู่ทิศเหนือ และแม่น้ําคงคาอยู่ทางใต้เดิมนครหลวงชื่อหัดสินาปุระหรือหัสดินบุรีต่อมาจึงแยกไปตั้งนครหลวงใหม่ชื่อกมปิละตั้งอยู่เหนือฝั่งแม่น้ําคงคาแคว้นมัตฉะตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ําสินทุกับยมุนาตอนบนมีแคว้นโกศลและทิศตะวันออกมีแคว้นสุราเสนาอยู่ทิศเหนือ กุรุอยู่ทางใต้นครหลวงชื่อสาคละตั้งอยู่เหนือแม่น้ำอสิคณีหรือจันทรพาคแคว้นสุรเสนะตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำสินทุกับยุมนาตอนล่างมีนครหลวงชื่อมะทุรามัทุราหลังพุทธการเป็นสำนักศึกษาทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญมากแคว้นอัสกะ ตั้งอยู่ตรงรุ่มแม่น้ำโคทาวารีทางเหนือแห่งอวันตีนครหลวงชื่อโปตนะหรือโปตลิแคว้นอวันตีตั้งอยู่เหนือภูเขา ว, วินไทยทิศอีสานแห่งอศกะนครหลวงชื่ออุดเชนีในครั้งพุทธกาลมีความสำคัญอยู่มากภายหลังพุทธกาลมีความสำคัญมากขึ้น เป็นที่ประสูตรพระมหินราชโอรสพระเจ้าอาโศมีวัดและถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนามากแคว้นคันทาระตั้งอยู่ตรงลุ่มแม่น้ำสินธุ ต, ตอนบนนครหลวงชื่อตกศิลาเป็นแหล่งการศึกษาที่ลือนามาตั้งแต่พุท ธ, ธกาลแคว้นกรมโพชะตั้งอยู่ใกล้แคว้นคันทาระลงมานครหลวงชื่อทวารกะ เป็นแคว้นที่ขึ้นชื่อลือนามเรื่องมีพันม้าดีแคว้นวิเทหะเป็นแคว้นโบราณที่มีความสําคัญมากมีเมืองหลวงชื่อมิตริราแคว้นโสวีระเป็นเมืองท่านครหลวงชื่อโกรุ ก, กะหรือโรรุวะเป็นเมืองที่พ่อค้าเดินทางจากแคว้นทั้งหลายรวมทั้งแคว้นมคตนําของมาเพื่อส่งไปขายทางเรือ แคว้นมัทะนครหลวงชื่อสาคละเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งครังพุทธกาลไม่สู้มีเรื่องราวอะไรมากแต่เวลาที่อเล็กซานเดอร์ลุกรานอินเดียเมืองนี้ต่อสู้เข้มแข็ง ม, ม, มากมัทะมีชื่อเสียงมากในทางมีขัตติยานีที่มีคุณสมบัติดีแคว้นต่างๆที่กล่าวมานี้ในสมัยอโศกได้ขึ้นอยู่กับแคว้นมคธแล้วก็มี เช่นแคว้นคันทาระและแคว้นอวันเตแต่ที่ยังเป็นแคว้นอิสระอยู่ก็มีมากอโศกญาตราทัพย่ำยีแคว้นต่างๆเกือบทั่วชมพูทวีป พ, พระองค์ไม่เคยทรงรู้จักคำว่าแพ้เลยทรงม้าเหยียบย่ำไปบนเนื้อและเลือดฆ่าอย่างทารุณโหดร้ายพระองค์ต้องการความเป็นใหญ่ในพื้นชมพูทวีปแต่พระองค์เดียวดาบของพระองค์ ผ่านคอคนมาเป็นพันเป็นหมื่นและมันไม่เคยอิ่มด้วยเลือดพระไทยของพระองค์ในเวลานั้นบรรจุเต็มอัดไปด้วยความเหี้ยมโหดแคว้นวัดชีซึ่งมีเวสาลีเป็นนครหลวงเป็นแคว้นที่ตียากที่สุดเพราะความมั่นคงแห่งป้อมประการและความสมานสามัคคีของกษัตริย์ชาวีสามารถรักษาเมืองไว้ได้นานแต่ในที่สุดก็พ่ายแพ้ต่อกาลังกองทัพอโศก และความฉลาดกล้าหาญของจอมทัพเมื่อตีเวสาลีแตกนั่นเองเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดก็เกิดขึ้นในชีวิตของอโศกมันเป็นรอยดำที่ลากไปบนเส้นชีวิตของพระองค์จนไม่อาจลบเลือนได้เรื่องมีว่านครเวสาลีแตก แคว้นวัดชีตกอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกองทัพอโศกชาววัชชีทุกคนอยู่ในอาการสงบพร้อมที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแก่พวกตนแต่ทหารอโศกมีวินัยดีพอไม่ข่มเหงผู้แพ้เนื่องจากต้องเหน็ดเหนื่อยมากในการรบครั้งใหญ่นี้เมื่อรบชนะแล้วจึงมีการฉลองชัยชนะอย่างมโหฬาร สนุกสนานเอกรกริกเฮฮาทั่วตำบลหนึ่งในแคว้นเวสาลีในการฉลองชัยครั้งนี้มีการแสดงละครถวายทอดพระเนตรหน้าพระปราของอโศกแสดงโดยชาววัดชีเป็นคณะละครที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยนั้นละครแสดงตามลำดับเป็นที่ชื่นชมยินดีของทหารขร้าราชการบริพานทั้งปวง จนไปถึงฉากสําคัญฉากหนึง่งพระเอกและนางเอกนั่งสนทนากันใต้ซุ้มเฟื่องฟ้าบริเวณบ้านป่าแห่งหนึง่งพระเอกส่งดอกเฟื่องฟ้าให้นางเอกพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นชาวเมืองไกลไม่มีอะไรมอบให้ท่านที่พอจะเชื่อถือได้ว่าเป็นสิ่งมีค่ามีแต่ดอกเฟื่องฟ้าดอกนี้เป็นพยานแทนหัวใจของข้าพเจ้า เป็นนิมิตหมายว่าข้าพเจ้าได้มอบหัวใจให้ท่านไว้แล้วขอท่านได้โปรดรับไว้เพื่อเอื้อกรุณาแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระเอกมองนางเอกด้วยสายตาที่แสดงถึงความรักอลึกซึ้งนางเอกชายตามองเขาอย่างเอียงอายรับเอาเฟื่องฟ้ามาแซมผมแล้วกล่าวว่าถ้าหัวใจของท่านเป็นจริงดังปากพูด ข้าพเจ้าจะขอเอทิดทูลหัวใจของท่านไว้ตลอดชีวิตเหมือนเอทิดทูลเฟื่องฟ้าดอกนี้ข้าพเจ้าจะพูดอะไรมากกว่านี้ก็ยากเพราะข้าพเจ้าเป็นหญิงถ้าท่านยังรักข้าพเจ้าอยู่ตราบใดข้าพเจ้าจะขอพักดีต่อท่านไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ก็หกก็หกไม่จริง พระสุรเสียงลั่นก้องจากอโศกทรงกระชากพระแสงดาบจากฝากอย่างรวดเร็วกระโดดจ่วงฟันนางเอกละครคอขาดกริ่งอยู่กับพื้นเวทีทุกคนเงียบกริบยืนตะลึงเหมือนรูปปั้นหลายรูปรวมกันอโศกทรงแกว่งพระแสงดาบไล่คณะละครให้ออกไปไม่มีใครทราบเหตุผลเลย ว่าอะไรทำให้พระราชามีพระอาการคลุ้มกลั่งขึ้นมาอย่างนี้ซีคารินและอครมหาเสนาบดีรัฐคุปต์ได้สติก่อนคนอื่นจึงกระโดดเข้าจับพระพาหาทั้งสองข้างของพระราชานำไปสู่ที่ประทับแรมนะพระปราหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับพระปราที่ทอดพระเนตรละครนั่นเองเมื่อถึงที่ประทับส่วนพระองค์แล้ว พระราชายงทรงมีพระอาการเหนื่อยหอบอยู่อัครมหาเสนาบดีรัฐคุปไม่ทราบต้นสายปลายเหตุใดๆแต่ไม่กล้าทูลถามสีขรินคนเดียวเท่านั้นที่ทราบโดยตลอดว่าเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นเพราะแรงใดดนบันดาลจอมคนแห่งแคว้นมคตก้มพระพักลงกับฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองกันแสงสะอื้นเบาๆ ใครเล่าจะทราบถึงความปวดร้าวพระทัยของพระองค์แผลในพัะไทยซึ่งกำลังแห้งหายไปได้รับการเขีย่ยแค่จากนางเอกละครให้เวอะหวาออกมาอีกอัครมหาเสนาบดีรัฐคุปต้องตกตะลึงเป็นครั้งที่สองเมื่อเห็นน้ำพระเนตรของพระราชาอันมีพระนามขจรทั่วพื้นชมพูทวีปว่าทรงห้าวหารและเข้มแข็งที่สุด พระองค์ทรงหลังน้ําพระเนตรเรื่องอะไรพระองค์ทรงค่านางเอกละครเรื่องอะไรเป็นข้อข้องใจที่เสนาบดีพูดเท่าไม่อาจแก้ได้เลยจนกระทั่งศรีครินเข้ามากระซิบใกล้หูเสนาบดีจึงถอยออกไปจากห้องสวนพระองค์เหลือเพียงอโศกและศรีครินมหาอมาตย์จ้องพระพักของพระราชาด้วยแววแสดงความตำหนิ อโศกทรงทราบถึงแววตานั้นสวมกอดสีครินอยู่ครู่หนึ่งและทรงถอยห่างออกมาพลางรับสั่งว่าสีครินท่านจงเป็นตัวแทนรับสารภาพบาปของข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้ารบสึกฆ่าคนมาเป็นจํานวนหมื่นแล้วไม่เคยเสียใจจนถึงต้องหลั่งน้ําตาเหมือนเมื่อฆ่านางเอกละครในครั้งนี้เขาไม่มีความผิด สีครินท่านทราบมิใช่หรือว่าเขาไม่มีความผิดแต่อะไรเล่าที่ทำให้เขาต้องพลีชีพสังเวยดาบเล่มนี้ของข้าพเจ้าท่านทราบมิใช่หรือสีครินชโลธราสีครินทูลชโลธราอาโศกรมทวนคํา เมื่อฉากละครนี้เปิดขึ้นมันเหมือนฉากชีวิตตอนหนึ่งของข้าพเจ้าสมัยเมื่อศึกษาอยู่ณนะสำนักตักกาศิลาร่วมกับท่านชาโลทรานางกาในร่างหน่งเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตฉากหนึ่งของข้าพเจ้าเราเคยสนทนากับชโลธราด้วยความรักณซุ้มเฟื่องฟ้าบริเวณบ้านป่าข้าพเจ้าได้ส่งดอกเฟื่องฟ้าให้เธอ เป็นทานองมอบหัวใจให้เหมือนในละครเรื่องนี้ชโลธราได้กล่าวคําเป็นทานองเดียวกันกับที่นางเอกละครกล่าวชโลธราหลอกลวงข้าพเจ้าให้หลงรักแต่แล้วแต่แล้วเธอบอกภายหลังว่ามิได้รักข้าพเจ้าข้าพเจ้าเจ็บช้าในเรื่องนั้นปานใดท่านได้ประจักษ์แก่ท่านมาแล้วเมื่อมากระทบเรื่องทานองนี้เข้า ทำให้ข้าพเจ้าลืมตนลืมไปเสียสนิทว่านี่คือเรื่องละครแต่ทำไมมันช่างเหมือนเรื่องจริงในชีวิตของข้าพเจ้าท่านคงเพลินชมละครจนไม่ได้สังเกตเห็นว่าตลอดเวลาที่ข้าพเจ้านั่งดูละครจากนี้ข้าพเจ้ารุ่มร้อนไปหมดทั้งกายเหมือนคนจับไข้ข้าพเจ้าไม่นึกเลยว่าชโลธราสตรีคนแรก ที่สอนให้ขพเจ้ารักจะยังคงมีบทบาทในชีวิตจิตใจของขพเจ้าอยู่ชโลธราเป็นสตรีคนแรกที่ถือคบเพลิงแห่งความรักมาจุดให้ลุกชดช่วงในหัวใจของขพเจ้าขาพเจ้าคิดว่าเพลิงนั้นได้ดับลงแล้วแต่อันที่จริงมันเป็นเพียงมอดลงชั่วคราวเหมือนคนเป็นไข้และมันระงับลงชั่วคราวเพราะฤทธิยา เมื่อถูกของแสลงก็กำเริบขึ้นอีกแล้วพระราชาก็ก้มพระพักเฉยอยู่สีขรินพระสหายรักร่วมพระไทยถวายบังคมพระราชาก่อนแล้วทูลว่าราชาข้าพระพุทธเจ้าขอพระบรมราชาอนุญาตทูลข้อความบางประการหากคำพูดนี้ไม่เป็นที่ต้องพระไทย แล้วขอให้ทรงอาศัยพระกรุณาธิคุณอภัยโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดสีครินทูลแล้วนิ่งอยู่เพื่อรอฟังกระแสพระดำรัสพระราชาทอดสายพระเนตรไปยังสีครินเป็นเชิงอนุญาตสีครินจึงทูลว่ามหาราชขอพระองค์ทรงตรึกตรองด้วยดีเถิดพระองค์ทรงเป็นจอมชนในแผ่นดิน มีค่าอะไรเปรียบบานไม่ได้เรื่องรอยแผลในพระทัยของพระองค์นั้นข้าพระพุทธเจ้าก็ตรหนักอยู่จะไม่เห็นพระหัไทยหามิได้แต่การที่พระองค์ทรงวู้วามกระทำแก่รัศดรเยี่ยงนี้หาควรไม่ข่าวทราบไปถึงไหนก็จะมีแต่ก่อความหวาดหวั่นพลันพรึงแก่ทวยราช แล้วเขาจะสืบเอาความหลังมาพูดกันในทางที่มิเป็นพระเกียรติยศแก่พระองค์เองชโลทรานั้นเป็นสตรีมีค่าพอเทียวหรือที่พระองค์จะสนพระทยัยจนถึงกับต้องเอาพระเกียรตยิอันเกลกกล้องของพระองค์มาคลุกคล้าวด้วยเธอเป็นเพียงสตรีเลวเลวคนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างค่อนข้างงามเท่านั้น พูดกันโดยความเป็นจริงแล้วนางไม่มีค่าสำหรับพระองค์เลยพระองค์นั้นเปรียบปานสีหาราจเจ้าไพรควรหรือจะเอาใจมาฝากฝ่กับนางสุนักจิ้งจอกเช่นชะโลธราขอให้พระองค์ดับความรู้สึกนี้เสียให้สนิทเถิดอย่าเอาพระทัยใส่อีกเลยข้าพระพุทธเจ้าขอประมราชวรโรกาศทูลขอพระองค์สักอย่างหนึ่ง คือต่อไปเบื้องหน้าอย่าให้เหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นอีกพระองค์พอจะพระชทานพรนี้แก่ข่าพระพุทธเจ้าได้หรือไม่อโศกลุกจากที่ประทับเข้ามาสวมกอดสีครินอีกครั้งหนึ่งแล้วดึงตัวไปที่ช่องพระแกลพระปราทรงชี้ให้ดูดวงจันทร์ซึ่งลอยโปรออกมาจากกรีบเมฆ ส่องแสงนวลใยลงต้องพระวรกายพลางรับสั่งว่าศีครินในชีวิตนี้ข้าพเจ้าจะหามิตรอย่างท่านคงหาไม่ได้อีกแล้วข้าพเจ้าปลืมใจยิ่งนักที่ท่านพูดอย่างมิตรแท้ต่อข้าพเจ้าท่านไม่ได้วันเกรงตอบภพยที่จะมีแก่ตัวท่านเลยความเป็นห่วงข้าพเจ้า ทำให้ท่านยอมเสี่ยงต่อรัชัพอันจะตกถึงตนสามารถกล่าวโอวาทต่อพระราชาเช่นขพเจ้าได้อย่างตรงไปตรงมาสีครินขพเจ้าขอปฏิญญาณต่อหน้าแสงเดือนนี้ว่าขพเจ้าจะไม่ให้เหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นในชีวิตของขพเจ้าอีกขพเจ้าให้พรที่ท่านขอด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง สีขรินสุดกายลงกอดพระบาทแห่งพระราชาอันเป็นที่รักยิ่งของตนนิ่งอยู่ในความนิ่งนั้นมีความหมายทางจิตใจพ้นพรนน า, นา